เสียงอ่านพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่18พระสุตตานตปิฎกเล่มที่ 10, สิบสั่งยุตตนิกายสลายยตนวัตหน้าที่32ทับสองข้อที่65สเรื่องปริยาทานสูตรที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเพื่อความครอบงำอุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเพื่อความครอบงำอุปาทานทั้งปวงเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทัทง้งหลายเธอจะสำคัญข้อความนั้นเป็นไฉนาจากสุดเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งในไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข่ารูปจักษุวิญญาณไม่เที่ยงหรือเที่ยง ไม่เทียงพระเจ้าข่าจักรสุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงพระเจ้าข่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงพระเจ้าข้าโสตคานะชิวหากายใจ ธรรมรมโนวิญญาณมาโนสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมาโนสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักสุทั้งในรูปทั้งในจักสุวิญญาณทั้งในจักสุสัมผัสทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยทั้งในใจทั้งในธรรมารมณ์ทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่มคลายกำหนดเพราะความคลายกำหนด ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหลเป็นธรรมเพื่อความครอบงําอุปทานทั้งปวงจบสูตรที่สิบจบอวิชชาวรกที่หนึ่ง